ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่สามสิบพระสุตันตปิฎกจุลนิเทศพระสุตตันตปิฎกขุตกะนิกายจุลนิเทศ ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นปารายณวักหมวดว่าด้วยทำเป็นเหตุให้ถึงฝังหนึ่งวัตถุกถาเรื่องพรามภาวรีส่งสิทธิไปทูลถามปัญหาพรามภาวรีผู้เรียนจบมนปรธถนาความเป็นผู้ไม่มีขังวลจึงเดินทางออกจากแคว้นโกศลอันรื่นรม ไปสู่ทักินาปะถชนบทท่านอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรีอันเป็นพรมแดงแคว้นอสกะกับแคว้นมูลกะต่อกันเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการเที่ยวพิกขาและผลไม้เพราะอาศัยพรามนั้นนั่นเองหมู่บ้านจึงได้เจริญไพบูนท่านได้ประกอบพิธีมหายันขึ้นด้วยรายได้ที่เกิดจากหมู่บ้านนั้นท่านบูชามหายันเสร็จแล้วก็กลับเข้าอาสม เมื่อท่านกลับเข้าอาศรมแล้วพรามอีกคนหนึ่งก็เดินทางมาถึงพรามที่มาพบนั้นมีเท้าเดินเสียสีกันท่าทางน่ากลัวมีฟันเคระศีรษะเกลือกลัวด้วยสิ่งสกปรกเข้าไปหาพรามภาวรีแล้วขอจับห้าร้อยกระหาปปณะนะพรามภาวรีเห็นเขาแล้วก็เชิญให้นั่งไต้ามถึงความสุขความสบายจึงกล่าวคานี้ว่า สิ่งของที่ควรให้ซึ่งเป็นของเราทั้งหมดเราสละไปแล้วพราหม์เอ๋ยท่านจงเชื่อเราเถิดเราไม่มีซสื้้าร้อยเลยปังกะท่านตาพราหมณ์กล่าวว่าถ้าเมื่อเราขอท่านไม่ให้สิ่งที่มีอยู่ในวันที่เจ็ดขอให้ศีรษะท่านแตวเป็นเจ็ดเสียงพราหมณ์นั้นเป็นคนโกหกแสดงท่าทางหลอกลวงกล่าวคําที่น่ากลัว พรามภาวรีได้ฟังคำพูดของเขาแล้วก็เป็นทุกข์พรามพาวรีถูกลูกสอนืคอความเศร้าโศกเสียบแทงแล้วไม่บริโภคอาหารสู้พร้อมเมื่อท่านมีความคิดอย่างนั้นใจก็มียินดีในฌานเทวดาผู้ปรารถนาประโยชน์เห็นพรามภาวรีหวาดกลัวเป็นทุกข์อยู่จึงเข้าไปหาท่านแล้วกล่าวคำนี้ว่าพรามผู้ต้องการทรัพนั้นเป็นคนโกหก เขาไม่รู้จักศีรษะไม่มีความรู้เรื่องศีรษะและทำที่ทําให้ศีรษะตกไปพราหมณพาวรีคิดว่าเทวดาผู้เจริญนี้คงจะรู้จึงกล่าวไปว่าข้าพเจ้าขอถามเรื่องศีรษะและทำที่ทําให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอฟังคําตอบของท่านเทวดากล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักเรื่องศีรษะ และทำที่ทําให้ศีรษะตกไปเขาพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เรื่องศีรษะและทำที่ทําให้ศีรษะตกไปเป็นวิสัยของพระชินเจ้าเท่านั้นพราหมณ์พวรียกล่าวว่าเทวดาก็ใครเล่าในปฏิพีมณฑนนี้รู้จักศีรษะและทำที่ทําให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกผู้นั้นแก่เขาพเจ้าด้วยเถิดเทวดากล่าวว่า พระโอรสของเจ้าสักยะเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าโอกากะเสด็จออกพนวจากกรุงกะเบลพัททรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้ก่อความสว่างสวยัยเทวดากล่าวว่าพราหมเจ้าสักยะบุตรพระองค์นั้นเป็นพระสัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบรรลุกําลังแห่งอภิญญาทั้งหมดแล้วมีพระจักสุในธรรมทั้งปวง ทรงถึงธรรมเป็นที่สิ้นก ร, รมทุกอย่างทรงน้อมพระทัยไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมีพระจักสุทรงแสดงธรรมท่านจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จะทรงพยากรณ์ปัญหานั้นแก่ท่านได้พรามณพาวรีได้ฟังคําว่าพระสัมพุทธเจ้าก็เบิกบานใจความเศร้าโศกก็เบาบางลง และได้รับปีติเปี่ยมล้นพราหม์าวรีนั้นดีใจเบิกบานใจเกิดความปราบปลืมใจจึงไต่ถามเทวดาถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและประกาศว่าพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประทับอยู่ณที่ไหนจะเป็นบ้านนิคมหรือชนบทใดก็าตามพวกเราพึ่งเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทวดากล่าวว่าเจ้าสัจยาบุตรพระองค์นั้นผู้ทรงชนะมารมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาล้ำเลิศแผ่ไพศาลยิ่งทรงปราศจากทุระไม่มีอาสวะทรงเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องศีสะและธรรมที่ทําให้ศีสะต่กไปทรงเป็นผู้องค์อาจกว่านรชนประทับอยู่ณมณฑินสถานของพระเจ้าโกศลเขตรุงสาวถีลำดับนั้น พรามณพาวรีได้เรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ซึ่งเรียนจบมนมากล่าวว่ามานพทั้งหลายมันนี่เถิดเราจักบอกขอพวกเธอจงฟังคําของเราพราหม์ภาวรีกล่าวต่อไปว่าความที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดปรากฏเนือ ง, งในโลกนั่นหาได้ยากวันนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จอุบัติในโลกแล้วปรากฏพระนามว่าพระสัมพุทธเจ้า พวกเธอจงรีบไปกรุงสาวัตถีเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมานุษย์ทั้งหลายถามว่าข้าแต่พราหมณ์ถ้าพวกข้าพเจ้าพบแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระพุทธเจ้าขอท่านจงบอกวิธีที่จะรู้จักพระองค์แก่พวกข้าพเจ้าผู้ไม่รู้ด้วยเถิดพราหมณ์ภาวรีกล่าวว่าก็มหาบุริษลักษณะสาสสองประการ อันมาแล้วในมนทั้งหลายท่านกล่าวไว้แจ่มแจ้งครบถ้วนโดยลําดับบุคคลใดมีมหาปุริยลักษณะเหล่านั้นอยู่ในตัวบุคคลนั้นมีคติเป็นสองอย่างเท่านั้นมิได้มีคติเป็นที่สามเลยคือถ้าบุคคลนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงครอบครองแผ่นดินนี้ย่อมปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อายาไม่ต้องใช้ศาสตรา แต่ถ้าบุคคลนั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอระหันตสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมมีกิเลสดุดเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วพวกเธอจงทูลถามด้วยใจเท่านั้นถึงชาติโครลักษณะมนสิทธิคนอื่นๆศรีระและธรรมที่ทำให้ศีระตกไปถ้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปกติเห็นธรรมหาเครื่องกลางกั้นมิได้ เมื่อพวกเธอถามปัญหาด้วยใจแล้วก็จะทรงวิสัชนาด้วยพระวาจาครั้นฟังคำของพรามภาวรีแล้วพรามสิบหกคนผู้เป็นสิทธ์คือหนึ่งอชิตะสองติสะเมตยะสาปุณกะสี่เมตคูห้าโทตกะหอุปศีวะเจ็ดนันทะ 8. ปเฮมะกะเก้าโตเทยะ กัปปะสิบเอ็ดชตุกันนิผู้เป็นบัณฑิตสิบสองพัทราวุฒิสิบสามอุไทยสิบสี่โปสาละสิบห้าโมคราชผู้มีปัญญาสิบหกปิงเคียผู้เป็นมหาฤาสีพระผู้เป็นสิบสิบหกคนนั้นแต่ละคนเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีชื่อปรากฏแก่ชาวโลกทั่วไป เป็นผู้บำเพ็ญฌานยินดีในฌานเป็นผู้มีปัญญาปราดเืลองเคยอบรมวาสนาแต่ชาติปางก่อนทั้งนั้นทุกคนกล้าวชดาและครองหนังเสืออภิวาพรามภาวรีและกระทำประทักษิณแล้วต่างออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศอุดอนสู่สถานที่ตั้งแคว้นมูลกะกรุงมาหิสติในการนั้นกรุงอุเชนีกรุงโคนทะ เมืองเวทิสาเมืองวนาสวะหายากรุงโกสัมพีเมืองสาเกตกรุงสาวัตอันอุดมเมืองเสตพยะกรุงกบิลพั์กรุงกุสินารากรุงปาวาโพคันยพรกรุงเวสาลีแควนมคตและปาศานกะเจดีอันรื่นรมน่ารื่นเริงใจพรามเหล่านั้นเรียบขึ้นสู่ภูเขา เหมือนคนกระหายน้ำรีบหาน้ำเย็นดื่มเหมือนพ่อค้าได้ลาบใหญ่มาครองและเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผารีบหาร่มเงาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสรงแวดล้อมทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ประหนึ่งว่าราชสีบันเลยสีหานาตอยู่ในป่าอาชิตะมานกได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจ ด, ดวงอาทิตย์อันมีรัศมีเจรจา และดุดดวงจันเต็มดวงในวันเพ็ญลำดับนั้นอาชิตามานพยืนอยู่ณที่สมควรเริ่มเริงใจเพราะได้เห็นอนุพยัญชนะบริบูรณ์ในพระวรากายของพระผู้มีพระภาคจึงได้ทูลถามปัญหาด้วยใจว่าอาชิตามานพทูลถามปัญหาทางใจว่าขอพระองค์ตรัสระบุให้แน่ชัดถึงชาติโทษพร้อมด้วยลักษณะ ขอโปรตรัสบอกความสาเร็จในมนทั้งหลายว่าพรามสอนมานพเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามนั้นมีอายุร้อยยี่สิบปีชื่อภาวรีโดยโคดมีลักษณะสามอย่างอยู่ในตัวเป็นผู้เรียนจบไตรเพศพรามนั้นถึงความสาเร็จในลักษณะมนและประวัติศาสตร์พร้อมทั้งนิคันทุศาสและเกตุภาษา ชื่อว่าถึงความสำเร็จในหลักธรรมของตนกล่าวซ้อนมนแก่สิทธิ์ห้าร้อยคนอธทิตะมานพูนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนผู้ตัดตัญหาเจยได้ขอพระองค์โปรดประกาศ ค, ความเด่นชัดแห่งลักษณะของพรามภาวรีอย่าให้พวกข้าพระองค์มีความสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามนั้นย่อมใช้ลิ้นปิดหน้าได้ มีอุณาโลมอยู่ระหว่างคิ้วมีคุยหัานซ่อนอยู่ในฝักมานพเธอจงรู้อย่างนี้ชนทั้งปวงไม่ได้ยินใครถามปัญหาอะไรได้ยินแต่ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ก็ปราบลืมใจประนมอัญชลีแล้วพากันคิดไปต่างๆว่าใครหนอเป็นเทพเป็นพระพรหมหรือพระอินผู้สุชัมบดีเมื่อถามปัญหาด้วยใจ พระผู้มีพระภาคตรัสบอกปัญหานั้นกับใครเล่าอาจิตะมานกกราบทูลว่าพราหมณภาวรีถามถึงเรื่องศีรษะและทำที่ทําให้ศีรษะตกไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์โปรดพยากรณปัญหานั้นกําจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงรู้เถิดว่า เอาวิชาเป็นศีรษะวิชาที่ประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะและวิริยะเป็นธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปลำดับนั้นอชิตามานพบมีความปราบปลื้มใจมากล้นสนับสนุนแล้วพาดหนังเสือโชวียงบ่าศบศีรษะลงแท่พระยุคลบาทแล้วกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุคผู้มีพระจักสุ พรามภาวรีพร้อมด้วยเหล่าสิทธ์มีจิตเบิกบานดีใจขอถวายอภิวาสพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอพรามภาวรีพร้อมด้วยเหล่าสิทธ์จงมีความสุขและแม้เธอเองก็ขอให้มีความสุขมีชีวิตอยู่ยืนนานเถิดมานุปเราให้โอกาสแก่พรามภาวรีแก่เธอและมานุกทั้งหมดถามข้อสงสัยทั้งปวง พวกเธอปรารถนาจะถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงถามเถิดอจิตต า, านพได้รับโอกาสจากพระสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งประคองอัญชลีทูลถามปัญหาข้อแรกกับพระตถาคตณปารสานกะเจดีนั้นว่าถูกคาถาจบ 2. มานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของมานพสิบหกคนหนึ่งอชิตะามานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอชิตามานพท่านอาชิตตะทูลถามดังนี้โลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้เพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใสขอพระองค์โปรโดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นไว้ อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตะโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตระหณีและความประมาทเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นท่านอจิตะทูลถามดังนี้กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย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 ท่านอชิตะทูลถามดังนี้พระอระหันตขีนาศเราใดผู้มีสังขาตธรรมและพระเสขเราใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดาเนินชีวิตของพระอระหันตขีนาศและพระเสขเหล่านั้นเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ทิสุไม่พึงปรารถนายิ่งในกลามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่อจิตะมานวะปัญหาที่หนึ่งจบสองติสสะเมตยะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของติสสะเมตยะมนกุกท่านติสสะเมตยะทูลถามดังนี้ ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความว่นไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในท้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเนตัยยะภิกษุเป็นผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในกางทั้งหลาย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 ล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ติจจะเม่ตยะมานวะปัญหาที่สองจบสปุณกะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปุณกะมานพท่านปุณกะทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้วันไหวผู้มีปกติเห็นมูล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 จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายปุณณะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพากันบูชายัญท่านปุณณะทูลถามดังนี้ฤาษีมนุษย์ษัตริย์พรามณ์บางพวกเหล่านี้จํานวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เนรทุกข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 เราขอกล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันเป็นผู้กำนัดยินดีในภพข้ามชาติและชาราไปไม่ได้ท่านปุณกกะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายันข้ามชาติและชาราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลก ข้ามชาติและชราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณญ ก, กะเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความหวุ่นไหวในโลกไหนไหนเพราะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้วปุณกะมานวะปัญหาที่สามจบ 4. เมตคูมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเมตคูมานพ ทนเมตตคูทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกทุกเหล่านั้นเกิดมาจากที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตคู เธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่เรารู้ทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้ใดแลไม่มีปัญญาย่อมก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเเขาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นบุคคลรู้อยู่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 เราจะกล่าวทานั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอท่านเมตตคูทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิจติสการในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตตคู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 ท่านเมตภูทุนถามว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดยอนชนแม้เหล่านั้นพึงละทุกได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดยอนบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพรามผู้จบเวท ไม่มีเครื่องตรงวลไม่คล้องในกามมาพบข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดูดตะปูตรึงจิตหมดความสงสัยแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านราชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสละเครื่องคล้องในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้แล้วนราชนนั้นเป็นผู้คลายตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวัง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 จงทำความเพียรในที่นี้แลบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนท่านโทตะกะทูลถามว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นพระองค์ผู้ไม่มีเครื่องกังวลเป็นพราหมณ์เสด็จจาฤกษ์อยู่ในเทวโลกและในมนุษยีโลกข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุข้าพระองค์ขอนมัจการพระองค์นั้นข้าแต่พระองค์ผู้สักกะ ขอพระองค์โปรดปรดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเราไม่สามารถปลดเปลื้องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้แต่เธอเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมอันประเสริฐก็จะพึงข้ามโอฆะนี้ได้เองด้วยประการชนี้ท่านโทตกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐ ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกระธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้และโดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แหลเป็นผู้ไม่ยึดอาศัยเที่ยวไปอยู่พระผู้มีประภาคตรตัสตอบว่าโทตกะบุคคลผู้รู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่ เพื่อข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิจติกาในโลกได้เราจะกล่าวความสงบนั้นที่รู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอท่านโทตกะทุนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่เพื่อข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิจติกาในโลกได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัญหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลยโทตกะมานวะปัญหาที่ห้าจบ อุปศีวะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุปสีวะมานกท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยใครๆหรือสิ่งใดๆจึงไม่สามารถข้ามห่วงกิเลสอันยิ่งใหญ่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมัญตะจักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกอารมณ์ที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้ว เพข้ามห่วงกิเลสนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเธอจงมีสติเพ่งพิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัติยึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรดังนี้แล้วก็จะข้ามห่วงกิเลได้เธอจงละกามทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายพิจารณาความสิ้นตัญหาทั้งเพลินทั้งวัน ท่านอุปศิวะทูลถามดังนี้บุคคลใดคลายราคะเนกามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญ ญ, ญายตนะนั้นได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปศีวะบุคคลใดคลายราคะเนกลาลทั้งหลาย และสมาบัติอื่นอาศัยแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกฉันอากินจัญญายตนะนั้นได้ท่านอุปศีวทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุถ้าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานปีไซบุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้ว มีความสงบเย็นอยู่ในพรหมโลกนั้นนั่นแหละหรือหรือว่าวิญญาณของบุคคล น, นั้นจะพึงจุติอีกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเปเลวไฟถูกกําลังลมพัดไปย่อมดับกำหนดไม่ได้ฉันใดมูนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมดับไปกำหนดไม่ได้ฉันนั้นท่านอุปศีวะทูลถามว่า มุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่แตกทำลายเพราะมีความแน่แท้พระองค์ผู้เป็นพระมุนีโปรดพยากรปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีว่มุนีพูดถึงความสลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณ ชนทั้งหลายพึงว่ากล่าวมุนีนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่มุนีนั้นเพราะเมื่อมุนีนั้นถอนทำทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วแม้คันลองแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้เด็ดขาดแล้วเหมือนกันอุปสีวมานวะปัญหาที่หกจบเจ็นันทะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของนันทะมานก ท น, นันทาทูลถามดังนี้ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกคำกล่าวนี้นั้นเป็นอย่างไรชนทั้งหลายเรียบบุคคลผู้เป็นไปด้วยยานหรือว่าเรียบบุคคลผู้เป็นไปด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะชนทั้งหลายผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่เรียบบุคคลว่าเป็นมุนี เพราะได้เห็นเพราะได้ฟังและเพราะได้รู้เราเรียกเหล่าชนผู้กาจัดเสนามารได้แล้วผู้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวจาริกอยู่ว่าเป็นมูนีท่านนั้นท้าทูลถามดังนี้สมณพราหมณ์บางพวกย่อมกล่าวความหมดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมดจดเพราะศีลวัดบ้าง ย่อมกล่าวความหมดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกสมณพราหม์พวกนั้นเป็นผู้ประพฤตตนเคร่งครัดในหลักการของตนนั้นข้ามชาติและชราได้บ้างหรือไม่ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า นันทะสมณพราหมณ์บางผู้ย่อมกล่าวความหมวดจดเพราะรูปที่ได้เห็นบ้างเพราะเสียงที่ได้ยินบ้างย่อมกล่าวความหมวดจดเพราะศิลวัตบ้างย่อมกล่าวความหมวดจดเพราะพิธีหลากหลายบ้างสมณพราหมณ์พวกนั้นแม้ประพฤติตนเคร่งครัดอยู่ในหลักการของตนนั้นก็จริงแต่เรากล่าวว่าพวกเขายังข้ามพ้นชาติและชราไปไม่ได้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 ใครเล่าในเทวลโลกและมนุสยีโลกชื่อว่าข้ามชาติและชราไปได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพรามณทั้งหมดถูกชาติและชราโอบล้อมนรชนเหล่าใดในโลกนี้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 นโรชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วนั่นท้ า, านวะปัญหาที่เจ็ดจบแปดเฮมะกะมานวะปัญหา ว่าด้วยปัญหาของเหมะกะมานพท่านเหมะกะทูลถามดังนี้ก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมอาจารย์เจ้าลติเหล่าใดเคยพยากรณ์แก่ข้าพระองค์ว่าเหตุนี้ได้เป็นมาแล้วอย่างนี้จากเป็นอย่างนี้คําพยากรณ์ทั้งหมดนั้นเป็นคําที่เชื่อสืบต่อกันมาคําพยากรณ์ทั้งหมดนั้นมีแต่จะทําให้ตรึกไปต่างๆ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 ข้ามตัญหาที่ชื่อว่าวิสัทธิการในโลกได้แล้วเฮมะกะมานวะปัญหาที่แปดจบเ้ 9. โตเทยะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโตเทยะมานกท่านโตเทยะทูลถามดังนี้กรารทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัญหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ว วิโมกของบุคคล น, นั้นเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโตเทยะการทั้งหลายไม่อยู่ในบุคคลใดตัณหาไม่มีแก่บุคคลใดและบุคคลใดข้ามความสงสัยได้แล้ววิโมกอื่นของบุคคล น, นั้นย่อมไม่มีท่านโตเทยะทูลถามว่าบุคคล น, นั้นเป็นผู้ไม่มีความหวังหรือว่ายังหวังอยู่บุคคล น, นั้นเป็นผู้มีปัญญาหรือว่า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 โตเทยะเธอจงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลผู้มีข้องในกามและพบว่าเป็นมุนีอย่างนี้โตเทยะมานวะปัญหาที่เก้าจบส0กัปปะมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของกัปปะมานพท่านกัปปะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งของเหล่าสัตว์ผู้ดํารงอยู่ท่้ำกลางสะผู้ถูกชราและมะจุราชครอบงำในขณะเปิดห้วงน้ําอันเป็นมหันตภัยอันหนึ่งขอพระองค์โปรดตรัสบอกที่พึ่งโดยวิธีที่ทุกนี้จะไม่พึงมีแข่ข่าพระองค์อีกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากับปะเราจะบอกที่พึ่งของเหล่าสัตว์ผู้ดํารงอยู่ท่้ำกลางสะ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 11. ชตุกันนิมาณวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของชตุกันนิมานพท่านชตุกันนิทูลถามดังนี้ข้าแต่พระวีระข้าพระองค์ได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความใคร่กามล่วงพ้นห่วงกิเลสจึงเม่อเฝ้าออเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ไม่มีกลามข้าแต่พระสหช น, นีตขอพระองค์โปรดตรัสบอกสันติบท ข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมอันแท้จริงนั้นแก่ข้าพระองค์ท่านจตุกันนิทูลถามว่าอันหนึง่งพระผู้มีพระภาคทรงครอบงามกรามทั้งหลายด้วยพระเดชทรงเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เหมือนดวงอาทิตย์มีแสงสว่างสงแสงปกคลุมทั่วปฐพีพระองค์ผู้มีพระปัญญาดุจภูริ ขอพระองค์โปรดตรัสบอกทำเป็นเครื่องละชาติและชราในโลกนี้ซึ่งข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชะตุกรันนี้เธอจงกําจัดความติดใจในกางทั้งหลายเสียเธอเห็นเนธขมมะโดยความกระเสริมแล้วควรสลัดเครื่องกังวลที่ยึดถือหรือว่าเครื่องกังวลย่าได้มีแค่เธอ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเธอจงทํากิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแค่เธอถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วน่้ำกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์อาตวะทั้งหลายอันเป็นเหตุใหถึงอนานาจแห่งมัจจุไม่มีแก่บุคคล น, นั้น ผู้คลายความติดใจในนามรูปโดยประการทั้งปวงเจตุกันนิมานะปัญหาที่สิบเอ็ดจบส2องพัทราวุฒมานวะปัญห า, า, ว, า, ว, ญหาว่าด้วยปัญหาของพัทราวุฒมานกท่านพัทราวุฒทูลถามดังนี้ข้าพระองค์ขอทูลอาราธนาพระองค์ผู้ทรงละพ้วงน้ำเพื่ออาลาัยได้ตัดตันหาได้ ไม่มีตัญหาเหตุให้วันไหวทรงละความเพลิดเพลินได้ข้ามห่วงกิเลสได้หลุดพ้นแล้วละการกำหนดมีพระปัญญาดีชนทั้งหลายครั้นได้ฟังพระตํรรัสของพระองค์ผู้นาคะแล้วจึงจะกลับไปจากที่นี้ท่านพัทราวุฑูลถามว่าข้าแต่พระวีระชนต่างๆจากชนบททั้งหลายมาชุมนุมครันในที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ฟังพระดำรัสของพระองค์ขอพระองค์โปรพยากรปัญหาแก่ชนเหล่านั้นให้แจมแจ้งด้วยเถิดเพราะว่าธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตระตอบว่าพัทราวุฒนรชนควรทำลายเครื่องยึดมั่นทั้งปวงทั้งชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเพราะสัตว์ทั้งหลายเข้าไปยึดถือขันใดใดในโลก มานย่อมติดตามสัตว์เพราะสิ่งที่ยึดถือนั้นนั่นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อรู้ชัดเพ่งพิจารณาหมู่สัตว์นี้ผู้ติดอยู่ในบ่วงแห่งม จ, จุราชว่าเป็นผู้คลองอยู่ในเครื่องยึดมัน่นควรเป็นผู้มีสติไม่เพืองเข้าไปยึดถือเครื่องกังวลในโลกทั้งปวงพัทราวุฒิมนวะปัญหาที่สิบสองจบ อุทยะยามานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุทยมานกท่านอุทยทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาที่จะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ทรงมีฌานปราศจากทุลีประทับนั่งอยู่ผู้ทรงทำรรกิจสำเร็จแล้วไม่มีอาสวะทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงขอพระองค์โปรดตรัสบอกอัญญาวิโมก อันเป็นเครื่องทำลายอาวิชชาด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทัยเราจะบอกอัญญาวิโมกอันเป็นเครื่องละความพอใจในกามและโทมนัสทั้งสองอย่างเป็นเครื่องบรรเทาความย่อท้อและเป็นเครื่องกั้นความผนองพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราจะบอกอัญญาวิโมกที่บริสุทธิ์เพราะมีอุเบกขาและสติที่มีธรรมตักกะเป็นเบื้องต้น เป็นเครื่องทำลายอาวิชชาท่านอุทัยทูลถามว่าสัตว์โลกมีอะไรเป็นเครื่องประกอบไว้อะไรเล่าเป็นเหตุที่ยวไปของสัตว์โลกนั้นเพราะละอะไรได้เล่าพระองค์จึงตรัสว่านิพพานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ความตรึกเป็นเหตุที่ยวไปของสัตว์โลกนั้น เพราะละอันหาได้เราจึงเรียกว่านิพพานท่านอุไทัยทูลถามว่าข้าพระองค์มาเฝ้าเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าสัตว์โลกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างไรวิญญาณจึงดับสนิทขอฟังพระดำรัตนนั้นของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสัตว์โลกไม่ยินดีเวทนาภายในและภายนอกมีสติเที่ยวไปอยู่อย่างนี้ วิญญาณจึงดับสนิทอุทยะมานวะปัญหาที่สิบสามจก